เรื่องห้ามภิกษุสวมรองเท้าเหยียบเสนาสนะสมัยนั้นภิกษุสวมรองเท้าเหยียบเสนาสนะเสนาสนะเสียหายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้